บทที่178สิบังปาเกิดและบุญคำตะเกียกตะกายไตยเนินขึ้นมาอย่างลนลานขวัญเสียในขณะที่ทั้งหมดของฝ่ายนี้พลูกันออกไปรับพอขึ้นมาถึงก็ล้มลงไปนอนอ้าปากคอสี่โครงบาลพูดอะไรไม่ได้กันอยู่พักใหญ่โดยเฉพาะตาเท่าบุญคำถึงกับตาตั้งทำท่าเหมือนจะหายใจไม่ออกชักตายไปในบัดนั้นร้อนถึงจันกระพินต้องช่วยกันผายปอดชุนลมุนกันไปอีกพักใหญ่ เป็นเวลาหลายนาทีกว่าที่ทั้งสามพอจะลุกขึ้นมานั่งพูจาภาษาคนกันให้รู้เรื่องได้โอ้ยทำโมสังโคถูกเสือกัดตายนะบุญคำไม่เสียใจหนะักแต่ชีวิตมันจะปลดลงลงเพราะหมานะบุญคำอายผีพ่อผีแม่สมุนมือขวาของรพินปากคอสัน่นนั่งชันเขา่าเอามือโปะไว้กลางศีรษะเจอเขายัางไงที่ไหน ระพินสอบคนของเขาที่เพิ่งรอดชีวิตกลับมาได้ก็ใกล้ใกล้ในเที่ยวขาไปนี่แหละนายบุญคําได้ยินเสียงเปินก่อนแล้วสงสัยว่าเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นก็เลยชวนไอ้เกิดกับไอ้สร้างปารีบกลับก็วิ่งกันมั่งเดินกันมั่งมาได้อีกพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงยิงกันขนานใหญ่อีกครั้งหนึ่งทางที่พักเรานี่นึกไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอชวนกันวิ่ง ไอ้พวกม้านระกจกเปรตนั่นก็พลพ้นเดินขึ้นไม้เห็นรอบตัวไปหมดถ้าแรกม่กว่ามันมีสักยี่สิบสามสิบตัวพอยิงไล่ไปได้ที่ไหนได้ล่ะนายพอสัต์กลิ่งไปสองสามตัวเท่านั้นมันก็ไหลพลูกันลงมาเป็นรอยเป็นพันเหมือนย ม, มาบาลปล่อยออกมาทั้งขุมมองไกลๆก็ดูตัวเล็กๆ เ, กเกท่ามาจริงจอกลอกแต่พอเข้าใกล้จะที่มันใหญ่เกือบเท่าลูกมา้า ต่อให้มีปืนกลนก็ยิงมันไม่ทันโอ้โหนึกว่าจะตายแน่แล้วล่ละวันนี้แล้วเสียงระเบิด่ะเช่ฐถาถานแทรกมาโดยเร็วก็ไอ้ระเบิดนั่นนะสินายใหญ่มันถึงได้ช่วยให้บุญคำกับไอ้สองคนนี่วิ่งกลับมาเห็นหน้าเจ้านายได้อีกครั้งบุญคำกับไอ้พวกนี้กำลังวิ่งหนีขึ้นเนิน ไอ้ม้าผีนับร้อยนะ่ะโกรดไล่มาข้างหลังแล้วก็มีระเบิดลอยมาจากไหนก็ไม่รู้สิมันตูมขึ้นกลางฝูงของมันทำให้พวกมันแตกกระจายวิ่งกันทุ่งราบไปหมดบุญคำหันไปดูแวบเดียวเห็นไฟลุกควันคลุงไปหมดก็โงยแน่แถบขาดใจกลัวมันจะตามไล่หลังมาอีกยังไงยังไงก็กลับมายึดที่มันที่นี่กันก่อนละนายกล่าว 9. จบแกก็ถอนใจฮึอ้อา แล้วไม่เห็นเงาทรายหรอกเลยไม่เห็นเลยละนายหญิงเกิดเป็นคนตอบหน้ายังไม่มีสีเลือดไม่รู้มันยิงธนูมาจากด้านไหนแต่ก็ช่วยเราสามคนไว้อย่างบุดวิดนี่เงาทรายมันยังไม่กลับมาถึงอีกเดือนายหญิงดารินเชฉฐาชายยันและระพินมองหน้ากันอยู่ไปมาส่วนมาเรียนนั้นขณะนี้แทบจะไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นพอเห็นคนของหล่อนรอดกลับมาได้โดยปลอดภยัย ไม่มีอันตรายอะไรแม้ตรอยขีดข่วนก็เข้าไปเขย่าศีสักและออกแขนกอดคอสางปลาไว้แน่นหัวเราะออกมาได้นี่ฉันนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกแล้วนะสางปลาเจ้าเก่งมากที่วิ่งได้เร็วกว่าตาเท่าและเกิดจะอีกจําไว้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะ ว, วิ่งให้เร็วที่สุดแล้วก็วิ่งให้ถูกทางด้วยเจ้าน่ะเป็นคนที่น่าห่วงที่สุดเพราะไม่มีอะไรจะคุ้มตัวเลย มาเรียพูดแจ่มใสกับคนของหล่อนเบาๆเป็นภาษาพมา่าบุญคำฟังรู้เรื่องก็ร้องตอบมาว่าชิ้ชีชิชนายแมมหวงก็แต่ไอ้ด้วนสร้างปาของนายแมมคนเดียวเท่านั้นแหละไอ้เท่าบุญคำก็ไอ้เกิดในชีวิตมันไม่มีค่าหรือยังไงใช่สิไอ้ซางนะ่ะวิ่งเร็วกว่าใครทั้งนั้นแหละแต่ตอนให้มันวิ่งเท่ามา้ามันก็ไม่มีวันรอดมาได้หรอก ถ้าไอ้พระรามเงซ า, ายมันไม่แผลงสอนช่วยไวย้รับรองว่ากระดูกมันก็ไม่เลือมาเรียยิมเดินเข้ามาวางมือบนไหล่หิวหยวของบุญคำเล็กเกิดคนหลักข้างนี่อย่าใจน้อยไปหน่อยเลยบุญคำฉันก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละแต่ส่างปานะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดไม่ใช่เหรอมืนเขาก็ไม่มีติดตัวเลยฝีมือก็ด้วกว่าพวกของบุญคาทุกคนสมองก็โง่กว่า เราควรเป็นห่วงคนที่อ่อนแอที่สุดก่อนจริงไหมบุญคำคอนขวบบ่นอุบอิบห่วงไอด้ดวดไปดีเถอะรักมันยังกะลูกเจ้เระวังเฮอะไหนทหารจะถีบไอ้ซางเขาสักวันนึงเพราะหึงภาษาพาม่าที่บุญคำใช้พูดกมาเรียไม่มีคนใดของฝ่ายนายจ้างสนใจหรือฟังออกระพินรำคาญหูเต็มทนในความลามปามของสมุนเท่าของเขา ก็สะ ก, กิดปลายรองเท้าเบาๆไปที่กระเบนหนึบให้แกหุบปากลงซะแล้วตนเองก็เดินผลักจากกลุ่มนั้นออกไปยืนกวาดตามองไปรอบๆทิเชตฐาชายันดารินและมาเรียก็เดินเข้ามาเรียงหน้ากระดานเคียงครับหญิงธนูระเบิดช่วยสามคนนี่ไว้แล้วเจ้านั่นมันหายไปไหนปานี้มันควรจะกลับมาได้แล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยชยันเลยขึ้น ซึ่งมันก็เป็นความนึกคิดของทุกคนในขณะนี้ไม่ใช่ช่วยคนอื่นได้แต่ตัวเองเสร็จไปนะดารินพูดขึ้นเหมือนกระซิบกับตนเองเลิกห่วงในข้อนั้นได้ละน้อยสำหรับแง่ทายพี่ชายบอกอย่างมั่นใจก็เลยเขาไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรทำไมถึงยังไม่กลับมาล่ะคะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกติบุญคำกับพวกนั้นมาถึงที่นี่ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วน ะ, นะพี่ใหญ่ ดารินตั้งปัญหาข้องใจและจิตนาโดยตรงที่จะถามไปยังระพินไพรวันแต่ทุกคนเห็นเขาอย่างเงียบเฉยจงกระทั่งดารินอดรนทนไม่ได้โผล่ออกมาพร้อมทั้งสะ ก, กิดไหลของร่างที่ยืนอยู่เหมือนเงาหินนั้นนี่ผู้กองคิดอะไรอยู่เหรอก็คิดอย่างเดียวกับที่พวกเราทุกคนคิดนะครับคิดว่าทำไมป่านนี้แงซา ย, ายถึงยังไม่กลับมา แล้วทำไมถึงไม่ทำอะไรสักอย่างให้มากกว่ามายืนคิดอยู่เฉยๆแบบนี้ล่ะยะไม่ทำอะไรล่ะครับโง่ไหมถ้าเราจะออกตามโง่ครับดารินทุบลงไปที่ไหล่นั้นโดยแรงแล้วกระชากให้หันหน้ามาก็ทำไมถึงโง่ล่ะบอกมาสิไม่ช้าก็เร็วแงซายก็ต้องกลับมาเองแ่ะครับเมื่อเรารู้แน่เช่นนี้แล้วการออกเดินตามให้เมื่อยนะไม่เรียกว่าเป็นความโง่หรอครับคุณหญิง แล้วคุณแน่ใจเหรอว่าแง่ทรายจะกลับมาแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เราคิดว่าเขาจะไม่กลับมาถ้าเขาจะกลับมาเขาควรจะกลับมาแล้วคุณไม่เชื่อเลยเหรอว่ามันอาจมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาก็ได้คุณจิงครับถ้านอกจากแผ่นดินแยกธรณีสูบลงไปอย่างกระทันหันแล้วน่ะผมไม่เชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแง่ทรายครับ พี่ใหญ่ครับฟังนะครับฟังนายคนนี้นาะยยวนน้อยเอาซึซึ่งหน้ายอย่างนี้แหละได้ยินได้ฟังกันอยู่เดี๋ยวนี้ล้วไม่งั้นจะโวคิดว่าน้อยหาเรื่องหยุกฝ่ายเดียวตะพื้นตะพื้น้อยพี่คิดว่าแง่สายคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งในการกลับมาล่าช้าและเหตุผลนั้นเขาก็คงจะบอกกับเราได้เมื่อเขากลับมาแล้วเอาเป็นว่าเรารอร อ, อีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันถ้าภายในครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้แง่สายยังไม่กลับ คอยหารือกันใหม่ว่าจะเอาไงดารินถอนใจยาวมองหน้าชา ย, ยันกมารีเหมือนจะขอความเห็นแต่สองสามีพัญญายังสงบนิ่งอยู่เพราะคําพูดตัดสินของท่านหัวหน้าคณะหล่อนจึงจําใจต้องพยักหน้าอย่างจำนนก็ตามใจสุดแล้วแต่พี่ใหญ่เถะคะ่ะคลุกคลีร่วมทางกับพรานภัยใจเหี่ยมคนนี้ไปนานนานน้อยว่าพี่ใหญ่และทุกคนก็เหมือนจะติดนิดสัยเลือดเย็นของตานี่เขาด้วยละแต่ถึงยังไงเชิย ชนิดนี้ก็ไม่มีทางติดมาถึงตัวน้อยหรอกค่ะกล่าวไม่ทันจะจบถ้อยคำดีน้องสาวคนสวยของนายจ้างก็สะบัดหน้ายัางขัดใจเดินพลลกลับเข้าไปนั่งอยู่ในกลุ่มพรานพื้นเมืองซะส่วนลึกภายในเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายประมาณ15นาทีต่อมาทมกลางความเงียบสงบปราศจากสิ่งใดกระโตกกระตากจนดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่ทุกคนต่างได้ไเผชิญมาเมื่อไม่นานนี้นักเกิดขึ้นจากความฝัน ไงสายก็ปรากฏร่างพ้นเนินทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาเหมือนเงาผีขยินเป็นคนแรกที่เห็นก่อนชี้มือพร้อมกระร้องโวยวายบอกทุกคนที่กำลังนั่งล้อมวงกันอยู่เพลนลุกขึ้นยืนพร้อมกันหมดหันขวับไปมองเป็นตาเดียวใช่แล้วไอ้หอกฮักชัยันร้องออกมาทุกคนก็ถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินเพิ่งจะยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรก มีความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกระยะนั้นห่างประมาณ400เมตรร่างสูงเดินตัดมาบนพื้นหญ้าสีเขียวด้วยก้าวยาวๆแต่ก็เป็นอาการเดินโดยปกติไม่เชิงว่าจะเร่งร้อนอะไรนักใบหน้าตรงมายังพักพวกทุกคนที่ชุมนุมคอยกันอยู่เรียบร้อยปกติดีหมดทุกอย่างแล้วก็สง่างามเยี่ยงเทพระบุรเฮอร์คิวลิสอันเป็นลักษณะประจำตัวของเขาเหมือนเดิม มารีาพื ม, รรมพัแผ่วเบาพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่ริมฝีปากขณะที่ยกกล้องสองทางไกลขึ้นจับร่างซึ่งกำลังเดินตรงเข้ามานั้นทำอห้ชา ย, ยันหันไปจ้องหน้าอย่างเขมรเมื่อกี้นี่มันทิ้งเราไว้ตามลำพังให้อิหมาพวกนั้นฟัดเกือบตายเข <Gri enter> ไม่ตั้งใจเช่นนั้นหรอกชา ย, ยันมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอนี่แทนที่จะคิดต่อว่าแง่าทายคุณควรจะนึกขอบใจเขาไม่ใช่เหรอือ ที่เปิดโอกาสให้เราสองคนนั่งพักอยู่เชิงเขาด้วยกันตามลําพังเราถูกโจมตีจากหมาพวกนั้นแต่เราก็ยังเอาตัวรอดมาได้และผลพลอยได้จากการที่แง่ส า, ายแยกจากเราไปก็ทําให้เขาสามารถช่วยชีวิตบุญคําเกิดและสั่งป่าไว้ได้นี่ยังไม่เป็นสิ่งที่เราพอใจอีกเหรอชา ย, ยันอึ้งไปครู่ทั้งสองพูดกันด้วยตามลําพังด้วยเสียงแผ่วเบาโดยที่คนอื่นๆไม่ได้ความสนใจอะไร เพราะดารินาโมแต่ดีใจพูดอยู่กับพี่ชายสะเไม่ควรจะรู้ไว้ตลอดไปด้วยนะผมรักคุณสะจนหึงด่าไปหมดหึงแม้กระทั่งไอสางปลานะด็อเตอร์ฮอฟมันสามีผู้ล่วงลับไปแล้วของคุณนะผมยังหึงเลยเมื่อหลับตาย้อนนึกไปถึงภาพสมัยก่อนคุณน่าจะเกิดมาเป็นของผมเป็นคนแรกและเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมคำมั่นสัญญาสนะว่าตั้งแต่นี้ต่อไป คุณจะไม่สนใจผู้ชายคนไหนอีกมารีมไม่ตอบแต่อมยิม้มหยิกเบาๆที่เอวเขาเหมือนจะเป็นการรับคำแง่ทายเดินเข้ามาถึงในท่ามกลางทุกสายตาที่รอคอยอยู่คนใช้พิเศษของคณะอยู่ในอาการปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นกว่าตามองพักพวกทุกคนที่รวมกลุ่มกันอยู่ใครจะสำรวจว่าใครขาดหายหรือเป็นอะไรไปบ้างหรือไม่ แล้วก็ไปจับตาอยู่ที่สื่อกระชยัน์ผู้ซึ่งมีผ้า พ, พันแผลและปลาสเตอร์ติดแทบจะเต็มตัวไปหมดอันผิดไปกว่าคนอื่นๆทุกคนนายทหารเป็นไรมากไหมครับนั่นคือประโยคแรกที่แง่ายพูดก่อนที่ตนเองจะถูกใครตั้งคำถามพรานใหญ่นั้นพอเม่นมองเห็นว่าเป็นแง่ายแง่แล้วก็ซุดตัวลงนั่งตามเดิมไม่ได้เ อ, อ่ยอะไรกับใครทั้งสิ้นมวนบุหรี่ใบตองแห้งของตนเองอยู่เงียบ ผมสังเกตเห็นมานานแล้ว น, นะเมดูคุณจะชื่นชมไอ้หมอนั่นมากใช่ฉันไม่ปฏิเสธเมียแหม่มของเขามองสบตาและตอบอย่างตรงไปตรงมาตามนิสัยชายันขยี้ปลายจมูกทำไมคุณไม่อามันเป็นผัวซะละแทนที่จะเป็นผมอะฉันพยายามอยู่หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเขาไม่ยอมสนใจฉันนี่นี่ถ้าอยู่กันตามลำพังสองต่อสองชยันคงตบชักไปแล้ว แต่ขณะนี้เขาไม่กล้าได้แต่ทำปากงบมิบพรุษวสว่ดาด่าเมียเลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสผู้ร้อนแรงของเขาเป็นภาษาไทยอยู่ในลําคอแต่แล้วก็ค่อยใจเย็นเป็นสุขขึ้นเมื่อมาเรีเบียดกายเข้ามาใกล้ทอดแขนโอบกอดเอวเข้าไว้กระซิบชยันนั่นนะมันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นนะแต่เดี๋ยวนีนะ้ฉันคือแม่ของลูกคุณนะ ไม่มีพวกเราคนใดเป็นอันตรายมากนักหรอกแง่ทรายเชิฐาเป็นคนตอบแต่ก็หวุดวิดจวนเจียนกันแทบทั้งนั้นจากเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันมาก่อนนี่ถ้าแกไม่ยิงระเบิดสกัดฝูงที่ไหลหลังพวกบุงคําเมอ่อตะกี้นี้ก็ยังทายไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแง่ทรายระบายลมหายใจลึกมองผ่านไปยังระพินไพรวันผู้นั่งสูบบุรีใบตองแหงนเงีย์ ไม่มีคำพูดใดๆจากจอมพลามในขณะนี้นอกจากมองตาต่อผมแย ก, กนายทาหารย้อนขึ้นไปสํารวจบนของลูกนั้นครับคนใช้พิเศษของคณะพู้เช้าไม่นึกครับว่าจะมีพวกของมันบางส่วนแอบเข้ามาเล่นงานนายทหารกับนายแมมผมได้ยินเสียงปืนนั่นแหละครับแต่ย้อนกลับลงมาไม่ทันแต่ก็เห็นนายทาหารกับนายแมมยิงสกัดฝูงนั้นไว้ได้ แล้ววิ่งย้อนกลับมายัางที่พักของเรานี่ผมก็แน่ใจว่าจะต้องปลอดภัยใช่สิปลอดภัยแต่ก็ตือเกือบจะเหลือแต่กระดูกอะชยันหัวรอกแค่นแค่ตอบสวนมาด่วนๆแต่ฉันนะมองไม่เห็นเงาของแกอีกเลยนะนับตั้งแต่แกแยกทางหายขึ้นไปอะคนที่อยู่ต่ำเห็นคนที่อยู่สูงได้ยากครับแต่คนที่อยู่สูงสิครับเห็นคนที่อยู่ต่าได้ง่ายกว่า อ, อ๋อแล้วยังไงอะ ระหว่างตัดทางลงนะครับผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งทางด้านตะวันตกหลังเขาสิวเทพใกล้เคียงกับที่พักของเรานี่ผมรู้แล้วล่ะว่าตอนนั้นคขยินจัน์และเซยคงปะทะเข้าแล้วแต่ก็ยังเบาใจเพราะเป็นเสียงปืนหลายกระบอกเกือบจะเป็นปืนทั้งหมดของเราก็ว่าได้ผมจึงคิดว่าฝ่ายของผู้กองระพินและนายทหารคงจะกลับมาถึงที่พักแล้วและช่วยกันยิงไว้ฮะพูดยังกระตาเห็นเจนะ ชัยยันว่านายทหารครับตาเรามีไว้ดูแต่ถึงแม้เราจะดูไม่เห็นหูเราก็มีไว้ฟังได้นะครับบางอย่างไม่ต้องดูด้วยตาแค่เอาหูฟังก็รู้ครับจริงพูดอีกก็ถูกอีกว่าต่อไปสิแกคงรู้ดีอยู่แล้วนิวว่าพวกเราทุกคนทางนี้นะ่ะกำลังรอคอยแกอยู่ด้วยคาถามก็ลองเล่าไปโดยไม่ต้องให้ถามได้ไหม เมื่อผมคาดะเนได้แล้วว่านายทหารกนายแหม่มกลับมาถึงที่พักแล้วฝ่ายของผู้กองก็คงกลับมาแล้วและกําลังช่วยกันรับมืออยู่กับส่วนหนึ่งที่กวดไล่ของฝ่ายขยินผมตัดเขาลูกนั้นลงไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เพราะรู้สึกว่าฝ่ายของลุงคํา น, น่าจะหนักกว่าทุกด้านผมอยู่ที่สูงใกล้ๆกับทางนั้นมากที่สุดเห็นพวกมันฝูงใหญ่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยตัวกําลังดมกลิ่นของพวกลุงคําเข้ามา ตอนนั้นทั้งสาคนยังไม่รู้สึกตัวล่ะครับเพราะยังอยู่ในบริเวณแอ่งก้นกระทะบริเวณหนึ่งมีขอบเนินบังไว้รอบด้านระหว่างที่ผมเดินสวนเข้าไปและพวกของลุงคําก็กําลังจะบ่ายหน้ากลับมันก็ไล่กระชั้นเข้ามาถึงตัวผมยิงดักหน้าฝูงของมันลงมาจากยอดเนินลูกหนึ่งเห็นมันแปกกระจายวิ่งตเตลิดออกไปทั้งฝูงไม่มีตัวไหนกวดไล่หลังทั้งสามคนนั่นมาอีกก็เลยย้อนกลับมาทางตีนเขาด้านใต้ตรงตําแหน่งที่ผมหมายตาเอาไว้ ในขณะที่มองลงมาจากที่สูงอีกครั้งอะไรที่แกบอกว่าหมายตาเอาไว้ขนาที่อยู่บนที่สูงอะท่านหัวหน้าคณะถามโดยเร็วหลุมเล็กๆหลุมหนึ่งครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเจดเมตรลึกสองวาปากขอบปกคลุมไปด้วยต้นโปรงเต้ตี้อะแล้วก็เฟินก็คงจะเป็นหลุมที่เกิดจากสะเก็ดดาวตกมานานแล้วละเพราะบริเวณพื้นที่ทั้งหมดแถบนี้ไม่ปรากฏว่าจะมีหลุมใดๆเลย นอกจากที่ลุ่มต่ำและเนินสูงธรรมดาเท่านั้นแต่ตรงตำแหน่งนั้นสชครับเป็นหลุมหรือบ่อราก็มีใครมาขุดไว้ระพินขยับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อได้ยินประโยคนั้นก็พอดีกับที่ดารินโผล่ออกมาว่าอ๋อนี่ไปทัศนาจรชมหลุมนั่นจะ้พะพอเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยโผล่มาช้ากว่าทุกคนนี่คือเหตุผลยางนั้นเหรอแง่ทรายก่อนที่แง่ทรายจะตอบคาใดกับนายหญิง การใหญ่ก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาชิดตัวถามแผ่วเบาพบร่องรอยนายชดกระหนันอินตรงนั้นเหรอไงใสไง่ ส, สก้มศีรษะลงความจริงเราควรพบรอยตรงตำแหน่งนี้ของเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วละครับขณะที่เดินลงจากเขาด้านใต้ลูกนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเรามัวแต่ใจจดจ่ออยู่กับการแสวงหาเนินจันเป็นจุดใหญ่พวกเราทั้งหมดเดินเฉียดห่างหลุมนี้ไม่เกินรอเมตรเท่านั้นเอง ผู้กองคงจะสังเกตเห็นป่าปรงเตี้ยๆเล็กๆทางซีกขวามือนั่นบ้างแล้วก่อนที่จะมีคำสั่งให้ผมนำทุกคนเดินตัดขึ้นเนินจันทร์โดยตัวผู้กองเองในายใหญ่และนายหญิงแยกขึ้นไปทางเหนือจอมพลานลืมตาโพลงใช่มีป่าโปรงขึ้นอยู่ทางด้านขวามือในบริเวณแอ่งตอนนึงแต่ตอนที่เราเดินผ่านนั่นดูลักษณะมันไม่น่าจะมีหลุมอยู่เลยนะ ถ้าขึ้นไปอยู่บนที่สูงมองลงมาจะเห็นได้ครับกระหลุมซ่อนอยู่ตรงกลางผมนอาหมายตาไว้ก่อนแล้วด้วยความสงสัยก่อนที่จะไปช่วยทังด้านลุงคําพอเห็นวพวกนั้นปลอดภัยผมก็เลยย้อนกลับไปตรวจ ด, ดูที่นั่นมันก็ตรงอย่างที่คิดไว้แหละครับสองคนนั้นลงไปอาศัยพักแรมคืนอยู่ในหลุมนั้นมีหลักฐานชัดเจนให้เชื่อได้หลายอย่างอย่างน้อยที่สุดก็รอยก่อไฟจากก้อนแกส๊สและทิ้งสังกสีอันเป็นกล่องของเชื้อเพลิงขนาดนั้น อย่างเดียวกับที่ผู้กองค้นพบก่อนแล้วเมื่อวานซึนว่าอีกอันหนึ่งพื้นเบื้องล่างของหลุมน่ะเป็นหินครับมีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษใล้จะมีไอความร้อนรุมอยู่ข้างใต้ในชดกระนันอินน่ะเขาเลือกที่พักได้ฉลาดกว่าเราจะอีกแต่มันก็เหมาะสำหรับเพียงสองคนเท่านั้นแหละเพราะก้นหลุมแคบครับระพินหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาจากความซีดคล้มดาเกรียมในทันทีตกปลแง่ใสหนัก แล้วหันมายิ้มกับคณะนายจ้างของเขาทั้งหมดซึ่งพากันยืนฟังหูพึงอยู่ในขณะนี้เด็กการนี่แหละครับในที่สุดแงซ้ายก็ค้นพบจนได้สินึกว่าทุกฝ่ายของพวกเราจะคว้าน้ำเหลวซะแล้วสิแล้วเขาก็มองไปทางดารินผู้พบความตื่นเต้นยินดีต่อข่าวใหม่จนต้องเอามือประสานกำแน่นวางไว้บนหน้าอกอาการเหมือนจะสวดภาวนาอะไรสักอย่าง ผมเรียนคุณหญิงไว้แล้วไงครับว่าแง่ทรายจะต้องกลับมาและมีเหตุผลที่ดีพอสมควรทีเดียวในข้อที่ว่าทําไมเขาถึงได้กลับมาล่าช้าการถูกไอหมานารกเข้าจุมรุมโจมตีในวันนี้ไม่ทําให้เสียผลในการสืบสอบหาร่องรอยคุณชายอนุชาไปเลยนะครับแง่ทรายค้นพบได้โดยไม่ยอมให้วิกฤตการ์เข้ามาทําให้ชะงักซึ่งมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะรอยพักของคุณชายอนุชาอยู่ทางด้านที่แง่ทรายรับหน้าที่ไป พาแต่ว่าแง่ทรายแกนี่มันวิเศษไปซะหมดทุกอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าไอหมาเวนพวกนั้นแทะฉันจนเหลือแต่กระดูกฉันก็จะไม่ว่าอะไรสักคาข่าที่แกทํางานอย่างได้ผลที่สุดฉันก็งวัวแต่หลงด่าแกซะหลายกระบุงโกยนึกวก่าแกไปลูกไม้หลบหัวเปล่าประโยชน์อยู่ซะที่ไหนชายันกรากเข้ามาจับมือแง่ทรายเขย่าโดยแรงขณะที่พูดเออแล้วหลุมนั้นทางจากที่นี่สักเท่าไหรล่ล่ะแง่ทรายเชธาถาน พยายามระ ง, งับความตื่นเต้นปปติใจไว้ไม่เกินกิโลเมตรครับในายใหญ่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ข้ามเนิมที่เห็นขวางหน้านันไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็เก็บหลักฐานเหล่านั้นมาด้วยหรือเปล่าล่ะเปล่าครับในายใหญ่ไงทรายทิ้งทุกอย่างไว้ในลักษณะเดิมกับที่พบเพื่อทุกคนได้ไปเห็นเองครับอดีตท่านทูตทหารบกหันไปทางจอมพรานแวตาเป็นประกายแจ่มใสห็นชัด นี่ก็แปลว่าอนุชากนานอินใบหน้ามาถูกทิศทางที่สุดแล้วหลักฐานร่องรอยของเขามันพิสูจน์ให้เรารู้ได้อย่างปราศจากความครื่นแคลงว่าเขาได้มาถึงที่นี่จริงโดยไม่เฉยใชหลงไปทางด้านอื่นแต่ผมสงสัยนะสงสัยว่าทำไมอนุชาจึงไม่ขึ้นมาพักอยู่บนเนินจันทร์เหมือนอย่างเราในเมื่อเขาก็มาถึงแล้วไอ้จะว่าวินิจฉัยเนินไม่ถูกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอ นาพินเหลียวกลับไปมองทางด้านที่แง่สายชี้บอกรีตาครุ่นคิดอยู่ครู่ก็ตอบว่าผมคิดว่าอาจขึ้นอยู่กับเหตุผลในด้านแสวงหาแหล่งปลอดภัยพักแรมคืนมากกว่าครับถ้าฟังตามที่แง่รายบอกนี่ก็คือตำแหน่งนั้นเป็นหลุมเบื้องล่างเป็นพื้นหินมีอุณหภูมิสูงซึ่งจัดว่าเป็นที่พักหลบภัยได้ดีที่สุดทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยสัตว์ ร, ร้าย ทั้งสงคนจึงเลือกเอาที่นั่นเป็นที่พักแทนที่จะเลือกบริเวณบนเนินจันทร์ซึ่งเป็นภูมิประเทศโล่งโถงเกินไปทั้งสองคนนั้นเป็นนักเดินป่าที่ฉลาดและมีความสามารถขีดสูงจริงๆครับสังเกตได้จากทุกตำแหน่งที่พักของเขาที่เราพบกันมาโดยตลอดมันล้วนเป็นที่อันเหมาะสมทั้งสิน้นผมแน่ใจนะครับว่าเป้าหมายเนินพระจันทร์จะต้องถูกกำหนดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วแต่คงเนื่องมาจากมาถึงที่นี่ก่อนเวลา จึงเลือกไปพักที่หลุมนั่นในเวลากลางคืนแต่ในตอนกลางวันก็คงจะขึ้นมาสำรวจอจุ่บนนี้และเมื่อถึงเวลาตามกําหนดก็ต้องขึ้นมารอคอยอยู่บนนี้แน่ครับเว้นไปกึ่งอึดใจจอมพรานก็พูดออกมาตามความรู้สึกแท้จริงว่านี่เป็นด่านสุดท้ายของการวินิจฉัยนอกจากการค้นพบร่องรอยการพักแรมที่หลุมนั่นแล้วถ้าเราค้นไม่พบหลักฐานการเสีชีวิตอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันนี้ ก็เชื่อได้แน่นอนเลยว่าทั้งสองคนตัดขึ้นเทือกพระศิวะตามปริศนาลายแทงได้สำเร็จซึ่งคราวนี้ก็เหลืออยู่แต่พวกเราเท่านั้นแะที่จะค้นพบทางอย่างเขาหรือไม่เชิฐาชัยยันและดารินได้ยินข้อความนั้นแล้วก็เงียบงันไปถูกแล้วคำพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาของยอดมักคุเทศทำให้ทุกคนต้องคิดหลักฐานที่แงซายมากล่าวอ้างให้ทราบนี้ มันเป็นหลักฐานของการผ่านมาพักแรมคืนของคนสาบศูนย์ทั้งสองเท่านั้นแต่อะไรจะมาเป็นเครื่องประกันได้ละ่ะว่าณัดจุดสุดท้ายอันเป็นปากประตูที่จะเปิดเข้าไปสู่ขุมเพชรพระอุมาเทวีตามที่คนทั้งสองตั้งปรารถนามุ่งมั่นมานั้นถ้าค้นกันให้ละเอียดต่อไปจะไม่พบร่องรอยของความหายณะแห่งชีวิตทั้งสองซึ่งมันอาจอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่พักนั้นก็ได้อย่างน้อยที่สุด มหาภัยจากฝูงหมาป่านับพันที่คณะทั้งหมดได้เผชิญกันมาหยกุยก็เป็นข้อให้ฉุกคิดแคลงใจอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าทางนายชดและหน้นอินพบเข้าอย่างเดียวกับที่ทุกคนพบในครั้งนี้เรื่องที่จะหลีกลบรอดชีวิตไปได้เห็นจะไม่ต้องคำนึงถึงําลังคนเพียงแค่สองคนกับกระสุนปืนคนละไม่กี่นัดจะเอาอะไรที่ไหนไปยับยัง้งคลื่นของกองทัพหมาที่หิวโหยเหล่านี้ได้และรูปการก็ดูเหมือนกับว่า พวกมันจะเคลื่อนข บ, บวนไหลบ่ามาในฤดูกาลนี้ซะด้วยคนทั้งสองมาถึงที่นี่ในเวลาเดียวกับฝ่ายติดตามทั้งหมดเพียงแต่ห่างกันคนละปีเท่านั้นเงซายระหว่างที่ทุกคนยังนิ่งอยู่มาเรียเอ่ยเรียกนามนั้นชัดเจนเธอไปเห็นร่องรอยการพักของทั้งสองคนนั่นมาก่อนพอจะบอกได้ไหมว่าเขาอาศัยหลุมนะั้นเป็นที่พักนอนนานสักเท่าไหร่ และมีหลักฐานในด้านการใช้ปืนตรงนั้นหรือใกล้เคียงบ้างไหมในแหม่มครับผมไม่อาจวินิชใช้ได้หรอกครับถึงระยะเวลาของการพักแรมมีก็แต่รอยตัดใบปร o งเอามามุงเป็นหลังคากันน้ำค้างหรือละอองหิมะบนปากหลุมแล้วก็รอยก่อไฟอย่างที่ผมบอกไว้แล้วตรวจละเอียดทั้งบริเวณในหลุมและใกล้เคียงก็ไม่พบปลอกกระสุนแม้แต่สักนิดเดียว แสดงว่าไม่ได้ยิงอะไรในบริเวณนั้นครับแล้วเขาเอาสเียงที่ไหนกินชัยยันถามลอยๆข้อนั้นไม่สำคัญหรือเป็นปัญหาหรอกครับคุณชัยยันพรานใหญ่ตอบแทนให้คุณชายอนุชากนานอินนะเขาอาจยิงสัตว์ตุนเป็นเสเบียงได้มาจากที่อื่นแล้วก็นำติดตัวมาประทังชีวิตในช่วงระยะเวลาเดินสองสาวันโดยไม่ต้องยิงอะไรอีกก็ได้ถึงพวกเราในขณะนี้ก็ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่แล้วนี่ครับ ให้เงาทายพาเราไปดูกันเดี๋ยวนี้เถอคะครับพี่ใหญ่ดารินสอดขึ้นมาด้วยความร้อนใจข่าวของพี่ชายที่เพิ่งได้มาทําให้หล่อนกระหายจะได้ไปเห็นกระตาจนลืมนึกถึงกองทัพหมาป่าไปซะชั่วขณะท่านหัวหน้าคณะมองหน้าจอมพรานอย่างหารือเพราะตัวเขาเองก็ประสงค์ที่จะไปให้เห็นเสียเดี๋ยวนี้เหมือนกันผู้กองคงไม่เป็นไรแล้วมั้งสำหรับไอหมาพวกนั้น่เพราะอย่างน้อยมันก็ยังตกใจเสียงระเบิดอยู่ คงไม่หวนกลับมารุมเล่นงานเราในชั่วโมงสองชั่วโมงนี้หรอกใช่ไหมจอมพรานสกิดไหล่แง่สายทํำท่าจะเรียกไปพูดอะไรโดยเฉพาะแต่ดารินไหวทันเพราะเคยชินซะละเอื้อมือควา้าหมอบเข้าให้ที่แขนของมักกุเทศนําทางและเจ้าคนใช้พิเศษคนละข้างนี่นี่นี่จะพูดอะไรกันก็พูดตาหน้าพวกเราทุกคนนี่แหละจะได้รู้ด้วยว่าจะไปซุบซิบกันที่ไหนหรอกเห็นเป็นแบบนี้มันนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะ ขาะต่อหน้าต่อตาก็เอาไม่มีมารยาซะเลยสองคนแอบไปหัวชนกันห่างพวกเราทีไรเป็นต้องเกิดเรื่องให้เราโง่ทุกครั้งไปแหละระพินหัวรเร้อนเจืญเจีขันในคำพูดของหล่อนแล้วก็ขันตัวเองแม่ดอกฟ้าดารินของเขานะพูดแทงใจดําดีนะักเพราะมันก็จริงอย่างที่หล่อนว่าซะด้วยสิขออภัยครับคุณหญิงแต่ขอบคุณนะครับที่กรุณาเตือนให้ทราบตรงตรง มันเป็นสัญดานไม่ดีที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกจนกระทั่งคุณหญิงเตือนขึ้นนี่แหละครับความจริงผมก็ไม่ได้มีความลับอะไรโดยเฉพาะกับแง่ทรายที่จะปิดบังทุกท่านหรอกครับแต่ความเคยชินน่ะทําให้เผลอไปแล้วเขาก็พูด ก, กับแง่ทรายต่อหน้าทุกคนนี่แง่ทรายแต่ขึ้นไป บ, บนเขาลูกนั้นน่ะสังเกตได้ตลอดทั่วบริเวณเห็นพวกมันทั้งหมดมีอยู่สักเท่าไหร่และส่วนใหญ่น่ะมันอยู่กันแถวไหน มันก็ประมาณไม่ต่ำกว่าสีห้าพันตัวนะครับผู้กองไหลกันมาเหมือนกระแสน้ำอยู่ทางด้านเหนือของเขาใหญ่ลูกนั้นน่ะไอที่เป็นผ่านข้ามาในบริเวณหุบนางนอนนี่มีจำนวนไม่ถึงหนึ่งในสิบของทั้งหมดนะครับคำตอบเรียบเรีย บ, ยบดังมาจากแง่ทรายแต่ฝายที่ได้ยินเย็นวูบตั้งแต่เส้นผมลงไปจะดปลายเทา้าระหว่างที่ความเงียบเข้ามาปกคลุมราวกับทุกคนจะกลายเป็นใบไปชั่วขณะนั้น เป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมองตากันเองอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่ปลอดโปร่งใจนักเกือบจะทำให้ลืมเรื่องหลักฐานร่องรอยของชดประชากรกับพรานนำทางของเขาซึ่งแงฮซายมารายงานข่าวให้ทราบซะอย่างสนิทสี่ห้าพันตัวชัว ร, ร์ละครแล้วเสียงพึมพมแหบๆก็ดังขึ้นจากริมฝีปากของท่านหัวหน้าคณะยกมือขึ้นเกาแก้มอันสาคลึมไปด้วยคราว ซึ่งไม่เจอมีดโกนมาเป็นเวลานานมันยกขยงกันมาจากไหนนี่ทำไมถึงมีจำนวนมาหาศาลถึงขนาดนี้เดี๋วว่าแต่พวกเราเพียงแค่สิบสองคนนี่เลยต่อให้อีกยักษ์ไทยรั่นที่เราเผเชิญหน้ากันมาแล้วตัวนั้นก็ไม่พ้นกับความหิวกระหายของพวกมันลงได้จับฝูงกันมีปริมาณมากมายถึงเพียงนี้มาเรียพูดด้วยเสียงเหมือนจกระซิบกับตนเองไงทาย ขณะที่ฉันนายใหญ่และผู้กองระพินเดินหาร่องรอยของนายชดไปทางด้านเหนือเราเห็นกวางฝูงใหญ่เป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนวิ่งแต่ตื่นหนีกันเป็นกองทัพเหมือนกันบ่ายหน้าไปทางด้านเหนือหลังเขาที่เธอชี้บอกว่าขณะนี้พวกมันส่วนใหญ่ชุมนุมกันอยู่นั่นแหละขณะที่เธออยู่บนยอดเขาสูงตอนแยกกันนายทหารเธอสังเกตเห็นฝูงกวางเหล่านี้บ้างหม แง่าสายเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่นายหญิงนายหญิงครับแง่าสายไม่เห็นกวางฝูงที่นายหญิงว่าหรอครับแต่เห็นควันจากฝุ่นลอยขึ้นสูงบางทีอาจเกิดขึ้นจากการวิ่งตะลิดของสัตว์พวกนั้นมันห่างไกลาจากฝูงหมาป่าที่แง่าสายเห็นเคลื่อนขบวน ล, ลงมาจากซอกเขามากครับพวกเราทั้ง12คนนี่มีระยะใต้กับฝูงของมันมากกว่าครับเฉษฐาสกิตไหลระพินผู้ยังยืนใช้ความคิดอยู่ถามว่า พอจะคำนวณได้ไหมฝูงกวางเนวิ่งหนีลวงหน้ากองทัพหมาป่าฝูงนั้นไปก่อนนานสักเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินสี่สิบห้านาทีครับะระยะดูจกักที่เราเห็นพวกมันวิ่งเข้าขบวนตัดหน้าไปกับที่แง่ทรายบอกว่าเห็นฝูงหมาเหล่านั้นเคลื่อนลงมาจากซอกเขามันก็มีอะไรอยู่สองในยะเท่านั้นนะ คือส่วนใหญ่ของมันจะแกะรอยกวางเหล่านั้นต่อไปหรือว่าจะกระจายเพ่นพ่านลงมาทางที่ราบต่ำตรงบริเวณที่เราอยู่นี่ภาวานาขอให้เป็นข้อแรกนะครับแต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกมันทั้งหมดหรอกที่เป็นกองทัพใหญ่อย่างแงซายว่านั่นเพียงแต่เศษ ย, ย, ย่อยของมันบางส่วนที่จะพลัดมาทางด้านเรานี่เราก็เดือดร้อนเลยล่ละครับผมรู้สึกว่าจะมีหวังใชด้วยสิเพราะทิศทางมันใกล้กันเหลือเกิน ไอ้พวกที่เข็ดระเบิดจากแง่ทรายไปก่อนแล้วนะอาจาไม่แพ่วพานเข้ามาอีกแต่พวกที่ยังไม่ระแคาระคายหรือสะดุ้งสะเทือนเพราะตามเข้ามาเป็นระลอกหลังนี่แหละครับคือปัญหาของเราพวกเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดทั้งคืนโดยไม่รู้จะเคลื่อนย้ายไปหลบซ่อนมันอยู่ที่ไหนซะด้วยสิภู ม, มิประเทศรอบด้านก็โปรงโล่งไปหมดไม่มีป่าไม้บ้างเลยถ้ามีป่าเรายังจะใช้วิธีเผาป่าไล่มันออกไปได้บ้าง และพรานใหญ่ก็ยิ้มให้กับทุกคนอย่างปลุก ป, ปลอบใจแต่ถึงยังไงก็ไม่เหลือบา ก, กว่าแรงนักหรอกครับเรายังมีเวลาที่จะช่วยกันคิดให้รอบคอบที่สุดก่อนตะวันตกดินวันนี้ตอนนี้เราไปดูหลุมที่คุณชายอนุชาะกะนานอินพักก่อนดีกว่าครับกล่าวจบเขาก็พยักหน้ากาแงสายเป็นสัญญาณให้ออกนาทางโดยสั่งให้พวกพรานพื้นเมืองทุกคนรอคอยกันอยู่ที่นั่นก่อนไม่จาเป็นจะต้องตามมาด้วย จอมพระเนจรเงซายออกเดินนําลงเนินย้อนกลับไปตามทิศทางที่โผล่มาโดยเร็วโดยมีระพินและคณะนายจ้างทั้งหมดเดินตามไปอย่างกระชั้นชิดเพื่อความหวังว่าจะอย่างไรเสียจะพวกหมาปา่าขยงนั้นคงจะยังไม่ย้อนกลับมาเพ่นพ่านในบริเวณใกล้เคียงอีกภายในระยะเวลาอันใกล้เพราะเพิ่งแต่ตื่นตกใจเสียงระเบิดของเงซายเปิดหนีกระจัดกระจายไปเมื่อยกนี่เองเส้นทางเดิน ก็คือแนวเดียวกับที่แงซทรายเคยนำชัยยันและมาเรียไปก่อนแล้วนั่นเองแต่เบนออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ30ดีกรีของจุดศูนย์กลางเนินจัดพอรับเหลี่ยมโค่กลูกลกเล็กที่ขวางหน้าอยู่ทุกคนก็มองเห็นพื้นที่ราบต่ำบริเวณหนึ่งอันเป็นใจกลางของทุ่งหญ้าราบเรียบมีลักษณะเหมือนเกาะเล็กๆปรากฏเป็นจุดเด่นให้สังเกตเห็นได้ชัดชยันนั้นพอแง่ทรายชี้มือบอกก็ตาลุก อ้าที่นั่นน่ะเลอเอ้เมื่อตอนที่แยกกันเดินหาก่อนจะถึงตีนเขาทางด้านใต้นนท์ฉันก็เฉียดใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนายทหารเฉียดใกล้เข้ามาแล้วแต่ไม่ได้สนใจที่จะเดินเข้าไปสำรวจ ด, ดูให้ถึงที่เองนะครับรโธ่ก็ใครจะไปนึกเล่าว่าจะมีหลุมอยู่ตรงกลางป่าโปร่งนั่นพอให้อาศัยเป็นที่พักได้ชายันครางพร้อมกระจุ ป, ปากโคลงหัวอยู่ไปมาบ่นต่อมาว่าอีโท่ ต่างกันแค่ปากกับจมูกนี่เองดันคนไม่พบได้ทั้งทั้งที่ก็เดินเข้ามาใกล้กว่าคนอื่นแล้วผมเองก็ไม่สนใจเช่นกันถ้าหากไม่ใช่เพราะขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วมองลงมาเห็นปากหลุมครับแง่ทรายบอกชั่วไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็บุกป่าปรุงและเฟินที่ขึ้นเป็นโดง่งติเตี้ยอยู่นั้นเข้าไปพบกับตำแหน่งที่แง่ทรายให้คารายงานไว้ก่อนแล้วทั้งหมดอุทานออกมา เมื่อมองเห็นสภาพของหลุมประหลาดนั้นต่างแยกย้ายกันออกสำรวจอย่างถีทุน่นรอบๆปากหลุมระพินกเชิดทาไต่ลงไปยังก้นหลุมนั้นในขณะที่แงซสายและมาเรียช่วยกันใช้มีดเดินป่าตัดใบโพรงที่งอกแผ่ปกคลุมอยู่ริมปากหลุมเพื่อเปิดให้แสงสว่างโล่งออกไปจะได้มองเห็นสภาพของหลุมได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่ระพินหยิบขึ้นมาส่งให้เชทาก็คือ องสังกสีของเตาแก๊สสำเร็จรูปแบบเดียวกับที่ค้นพบมาก่อนแล้วมีรอยถูกไฟลนไว้จนดำและทางแยกออกจากกันจนเป็นขาสำหรับรองรับภาชนะประเภทกระป๋องหรือหม้อสนานซึ่งใช้วางหุงต้มอยู่ข้างบนไม่มีปัญหาแล้วครับสองคนนั่นอาศัยพักอยู่ที่นี่จริงครับจอมพรานพูดแผ่วต่ำแล้วชี้ให้นายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาก้มลงมองที่พื้นบริเวณหนึ่ง ซึ่งมีใบปรงแห้งปูรองพื้นไว้กลาดเกลื่อนแม้จะเป็นรอยที่เก่าแล้วก็ยังพอจะสังเกตเห็นได้ว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์เพราะมีรอยมีดตัดออกจากต้นเชษฐากัดดึมฝีปากเบาๆเดินสำรวจไปรอบๆหลุมใช้ปลายรองเท้าเขี่ยก้อนหินและเศษดินเพื่อจะสแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกแต่ก็ไม่พบอะไรมากไปกว่าที่ระพินชี้ให้ดูแล้ว ส่วนด้านบนปากขอบหลุมซึ่งอีกสี่คนช่วยกันตรวจก็ได้รับรายงานจากมาเรียลงมาว่าเขาตัดใบปรุงออกมาจากต้นของมันริมปากหลุมนี่เองรอยตัดจากมีดเห็นได้ชัดเจนทีเดียวและแม่มสาวผู้สันทัดในทางธรณีวิทยาและโบราณชีวศาสตร์ก็โดดตามลงมาในหลุมอย่างแคล่วคล่องชุดตัวลงเอามือคลำสำรวจพื้นดินกับบริเวณผนังรอบด้านของหลุม ตาสีดอกผักตบเบิกสว่างแวววาวอยู่ครู่ก็บอกมาอย่างมั่นใจว่าไงไซเข้าใจได้ถูกต้องแล้วละ่ะหลุมนี้เกิดจากสเก็ต ด, ดาวตกขนาดย่อมๆไม่เกินร้อยปีมานี่เองและดินบริเวณนี้ก็เป็นดินอ่อนทําให้มันกลายเป็นบ่อและตัวสเก็ต ด, ดาวเองก็ฝังจมลงไปตื้นๆ น, นี่ถ้าขุดตามลงไปไม่เกินฟุตเดียวก็จะพบหินลูกกาบาดลูกนี้ได้ป่าปรงกระไม้ประเภทเฟิร์นที่ปกคลุมอยู่นี่ก็เป็นป่าใหม่ ที่เพิ่งเกิดขึ้นของพืชพันธุ์ชนิดนี้มีอายุยังไม่มากนักหลอดเงยหน้ามองขึ้นไปยังแง่ทรายผู้ยืนตรังงานอยู่ปากหลุมแง่ทรายในแผนที่ลายแทงนะบอกถึงหลุมหรือป่าปรงบริเวณนี้หรือเปล่าแง่ทรายสันศีสันไม่มีครับนายแมนมาเรียพยักหน้าอย่างพอใจลุกขึ้นยืนก็ควรจะไปอย่างนั้นแหละ ลายแทงนายเห็นว่าเขียนไว้ตั้งแต่4ี่ร้อยปีไม่ใช่เหรอลักษณะของภูมิประเทศที่เราเห็นอยู่นี่มันเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเจ้าของลายแทงจึงไม่ได้ระบุไว้ในแผนที่ของเขาถ้ามิฉะนั้นเขาก็ไม่น่าจะละเลยจุดหมายสำคัญนี้ได้เพราะมันเป็นจุดที่เห็นได้เด่นชัดโดดเดี่ยวออกมาจากภูมิประเทศส่วนใหญ่รอบด้านโดยไม่มีที่อื่นเหมือนอีกเลย เช็ดทายโยนขาเตาแก๊สที่ถือพิจารณาอยู่ในมือขึ้นไปให้ชยันเงียบเนียบอดีตนายทหารปืนใหญ่พลิกดูอย่างใจความคิดในขณะที่ดารินก็เข้ามาจ้องอยู่ด้วยเรากลว่าจะจ้องให้เกิดเป็นภาพของพี่ชายที่หายสาบสูญปรากฏขึ้นมาให้ได้ระหว่างที่ทุกคนยังเงียบมาเรียหันไปทางจอมพรานนี่ไพวัตคุณคิดยังไง ฉันหมายถึงสภาพของคนทั้งสองที่มาพักหลบอยู่ในหลุมนี้เมื่อปีที่แล้วก็น่าจะปกติสุขเป็นอันดีนะน่าจะปราศจากภัยพิบัติหรือเรื่องอันตรายคุก ค, คามเข้าถึงตัวใดๆทั้งสิ้นมีที่นอนสบายดีกว่าเราในปัจจุบันนี่ซะอีกคุณพูดไวถูกแมม่สาวพึมพำกว่าตามองไปรอบๆ บ, บริเวณกลล้นหลุมแคบๆนั้นทั้งสองคนนั่นจัดเป็นนักเดินป่าที่ฉลาด และมีกีดความสามารถสูงสุดหรือจะพูดอีกทีหนึง่งตลอดเส้นทางโชคของเขาดีมาตลอดทุกระยะอาจจะดีกว่าพวกเราที่ตามมาภายหลังนี่เสียด้วยซ้ำฉันสังเกตดูว่าเขาทั้งสองไม่ผ่านพบหรือรเผชิญกับวิบัติภัยหนักๆอย่างที่พวกเราเจอกันมาแล้วเลยคลาดแคล่วหลีกลบมาได้เะทุกทีดูน่าจะลงความเห็นแน่นอนได้แล้วกระมังว่าทั้งสองคนผ่านขึ้นเทือกพระศิวะได้สําเร็จ ภายหลังจากอึ้งไปอึดใจพรานใหญ่ก็ก้มศีรษะลงรับผมเองก็อยากจะเชื่อเช่นนั้นนะจากร่องรอยตำแหน่งพักครั้งล่าสุดของเขาที่เราพบอยู่เดี๋ยวนี้คุณว่าสองคนนั้นตัดทางมาถึงบริเวณนี้ทางด้านไหนเชตถาถามเป็นประโยคแรกก็คงจะเป็นด้านเดียวกับเราที่มานั่นแหละครับโดยผ่านลงจากเทือกเขาด้านใต้นี่แล้วก่อนจะลงจากเขา ก็คงได้พิจารณาเห็นภูมิประเทศกำหนดไว้ถูกต้องแล้วว่าตำแหน่งไหนคือเนินจันทร์แล้วก็เข้ามายึดชัยภูมิตรงนี้เป็นที่พักแรมซึ่งมันก็ห่างจากเนินจันทร์ระยะเดินไม่ถึง20นาทีเท่านั้นพี่กลางกระคนของเขาไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะได้รับอันตรายใช่ไหมเขาปลอดภัยดีที่สุดใช่ไหมดารินร้องถามลงมาไม่มีครับจากหลักฐานที่เราเห็นอยู่นี่ ราชสกุลสาวยิ้มออกมาได้ประสานมือพนมอยู่เหนือซวงอกแงหน้าขึ้นเหมือนจะสวดมนต์ภาวนาตรงหลุมนี้เขาพักกันอยู่อย่างเป็นปกติชยันพูดแต่ไกลจากที่พักของเขาออกไปในทิศทางที่เขาพยายามจะตัดขึ้นเทือกพระศิวะเราจะไม่คิดแสวงหาเขาเงื่อนเพิ่มเติมเหรอเราจะเชื่อแน่ได้ยังไงว่าเมื่อพ้นจากหลุมนี้ออกไปแล้ว ทั้งสองคนอยู่ในภาวะเช่นไรต่อไปรพินไพรวันกระโดดขึ้นมาบนปากหลุมตามเดิมเชษฐาและมาเรียจึงพากันไต่ตามขึ้นมาชุมนุมกันอยู่ปากขอบหลุมทั้งหมดทุกคนช่วยกันใช้สายตาสำรวจภูมิประเทศรอบด้านทั้งใกล้และไกลออกไปทุกทิศเพื่อสรุปข้อวินิจฉัยให้ใกล้เคียงที่สุดครันแล้วเสียงตอบคำเปรยถามของช ย, ยัน แทนที่จะมีมาจากจอมาคุเทศผู้ที่ทุกคนหวังใจว่าจะได้ฟังความเห็นของเขาเป็นหลักใหญ่กลับกลายเป็นเสียงฮ่าวกังวานลึกของแง่ทรายผู้แต่ไหนแต่ไรเป็นคนพูดน้อยเจ้านายครับที่เห็นประจันหน้าอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือไม่ห่างไกลาจากเราทุกคนในขณะนี้คือเทือกใหญ่อันเป็นยอดสูงสุดของถิวประศิวะระยะจากที่นี่ไปถึงตีนเชิงนั่น ห่างไม่เกิน2กิโลเมตรเช่นทางราบโล่งมองเห็นอยู่ชัดเจนปราศจากสิ่งใดอําพลางตาหรือมีส่วนที่ลี้ลับระยะทางช่วงนี้แหละครับที่คนศาสศูนย์ทั้งสองและพวกเราทั้งหมดจะต้องมุ่งไปอย่างตายตัวไม่มีการแยกไปทางอื่นอีกแล้วเพื่อที่จะแสวงหาทางอันถูกต้องตัดขึ้นถ้าความหายะของชีวิตจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองมันก็จะต้องเกิดขึ้น ในระยะเพียงแค่สองกิโลเมตรนี่เท่านั้นทุกคนหันขวักไปมองและเงี่ยหูฟังอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้สิแงไซเชิถาเตือนอย่างเล่าร้อนใจเจ้านหนครับทุกท่านควรจะสรุปให้แน่ชัดเช่นก่อนนะครับว่าต้องการข้อวินิจฉัยยังไงและมีขอบเขตเฉพาะจุดแค่ไหนแงไซกล่าวเนิบนาบแช่มชาด้วยเสียงลึกได้ระดับ การจะค้นหาข้อวินิจฉัยอันกว้างขวางเกินไปบางทีอาจทำให้เรางงและหาจุดสรุปไม่ได้แน่นอนขอให้ผมได้ถามสักประโยคเดียวเท่านั้นแหละครับท่านต้องการทราบสิ่งใดในขั้นแรกนี้ทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือคำถามอันเป็นจุดกว้างขวางที่สุดซึ่งจะไม่มีใครสามารถตอบได้เลยนอกจากสวรรค์เบื้องบนเท่านั้นแต่ถ้าจะถามว่า เมื่อบรรลุถึงเนินจันแล้วทั้งสองคนมีชีวิตอยู่หรือมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ครับเราก็อาจค้นหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะครับท่านหัวหน้าคณะครางออกมาว่าแกรพูดถูกแง่ซรายตอนนี้เราต้องการข้อวินิจฉัยเฉพาะอย่างหลังที่แกว่านี่ก่อนเท่านั้นคือเมื่อมาถึงที่นี่แล้วทั้งสองคนผ่านพ้นไปได้ไหม หลังจากนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหากันภายหลังเพราะมันหมายถึงว่าถ้าสองคนผ่านที่นี่ไปได้เขาก็หาทางขึ้นเทือกพระศิวะสำเร็จและเมื่อพบกับความสำเร็จในเส้นทางสำคัญด่านสุดท้ายนี้แล้วจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมผู้กองครับใช่ถ้าเช่นนั้นแงยสายกล่าวพร้อมรอยยิ้มบาง ก็มีระยะทางเพียงแค่สองกิโลเมตรจากที่นี่ไปจนถึงตีนเทือกเขาใหญ่โน่นเท่านั้นที่เราจะตรวจให้แน่ใจได้ว่าสองคนเสียชีวิตหรือไม่ตรงไหนและอย่างไรคิวอีดีมาเรียพึมพำทุกคนทอดสายตาตัดเนินสูงๆต่ำๆเหมือนสนามกอล์ฟไปยังตีนเทือกพระศิวะที่มองเห็นอยู่เหมือนจะเอื้อมมือถึงพากันนิ่งเงียบ ไปอีกพักใหญ่ผู้กองแงซายพยายามให้เราเชื่อว่าทั้งสองคนนั้นตัดเทือพระศิวะได้สำเร็จใช่ไหมในที่สุดเชษฐาก็กระซิบถามระพินแผ่วเบาครับมีเหตุผลที่จะเชื่อได้เช่นนั้นอยู่เต็มเปี่ยมด้วยละครับเส้นทางมันก็ใกล้ๆกันแค่นี้เองไม่มีอะไรจะให้สงสัยว่าทั้งสองคนแยกหลงไปทางอื่นอีกแล้วละครับและเมื่อหลุมที่เราพบนี่ เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าทั้งสองคนยังมีชีวิตตลอดเส้นทางใกล้ๆที่ตัดขึ้นเทือกพระศิวะเขาก็จะต้องมีชีวิตอยู่เหมือนกันผมก็อยากจะเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันนะพวกกองถ้าพวกเราไม่มาเผชิญหน้ากับไอกองทัพหมาป่าพวกนี้อนุชากนานอินจะไม่มีทางรอดไปได้เลยถ้าเขาพบอย่างที่เราพบเดี๋ยวนีนะ้คุณชายครับสิ่งที่เราพบ คุณชายอนุชากับคนของเขาอาจไม่พบก็ได้นะครับเพราะมันไม่แน่เสมอไปนะครับว่าเมื่อถึงดูดูการนี้หรือวันเวลานี้ฝูงหมาป่าจะต้องเคลื่อนหาสัตว์เข้ามาถึงที่นี่มันอาจมาอย่างไม่เป็นเวลาแล้วก็บังเอิญประจวบเหมาะกับที่เรามาถึงพอดีนะครับคุณแน่ใจอย่างนั้นเหระู้กอครับผมคิดเช่นนี้ครับ ภัยจากกองทัพหมาป่าที่เกิดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของเราในขณะ น, นี้เป็นภัยที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอตรงกับฤดูกาลของมันวายาก็น่าจะเตือนให้เราทราบล่วงหน้าแล้วแต่นี่วายาไม่ได้บอกไว้เลยก็แสดงว่ามันมาอย่างลมเพลมพัดและโอกาสที่ฝูงของมันจะรวมกลุ่มกันได้เป็นจำนวนมากๆนับพันพันตัวเช่นนี้ก็เป็นโอกาสที่น้อยมากอาจจะในรอบสิบหรือยีสิบปีสักครั้งหนึ่งสังเกตดูจากความอุดมสมบูรณ์ ไม่แสดงว่าตื่นกลัวภยัยใดๆมาก่อนเลยของสัตว์ที่หากินอยู่ในทุ่งแถบนี้ทั้งหมดถึงคราวนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อพวกมันคงไม่อยู่ที่นี่กันนานนักคงจะเคลื่อนขบวนหาสัตว์เป็นอาหารลงไปทางป่าต่าเรื่อยๆไปและถ้าไม่เข้าเล่นงานเราในคืนนี้ก็คงยกขยงเลยผ่านบริเวณนี้ไปทั้งหมดแล้วครับเชิฐาพยักหน้ายิ้มกล้างๆกล่าวกับทุกคนว่าเอาล่ะ ก็เป็นอันสรุปได้แล้วข้อที่หนึ่งเราแน่ใจได้ว่าอนุชาและคนของเขามาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยและตัดทางขึ้นเทือกพระศิวะได้สำเร็จข้อที่2เราตามเข้ามาถึงปากประตูด่านสุดท้ายแล้วเราเวลาสำคัญที่จะตีปริศนาลายแทงตามเขาขึ้นไปให้ได้เท่านั้นและส่วนข้อที่สเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะหาทางป้องกันตัวเราเองให้รอดปลอดภัยจากพายุ ของไอ้หมาหิวพวกนี้จนกว่าจะถึงตะวันตกดินและพระจันทร์ขึ้นและพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ทางอดีต ท, ท่านทูตทหารบกก็หันไปโอบแขนรอบไหล่กว้างของแง่สายไว้กอดแน่นอย่างรักสนิทแง่สายจะทำให้พวกเราทั้งหมดสบายใจและมีความหวังขึ้นเหลือเกินงานของแกวันนี้นะ่ะเป็นงานชิ้นโบแดงทีเดียว ที่ช่วยเราแน่ใจว่าคนสาบศูนย์ที่เรากำลังตามตัวอยู่แทบลม้มแทบตายนั้นเขาได้มาถึงที่นี่โดยสวัสดิภาพและผ่านประตูสำคัญเข้าไปได้ถ้าไม่พบรอยของเขาครั้งหลังสุดนี่ต่อให้พวกเราทั้งหมดตัดทางขึ้นเทือกพระศิวะได้สำเร็จเราก็หวังไม่ได้เลยว่าเราจะได้ข่าวคราวอะไรจากเขาอีกหรือไม่ แงายายก้มศีรษะต่ำลงอย่างคาราวะและสำรวมขณะนั้นลมเย็นยะเยือกจากทิศเหนือก็พัดโชยมาทุกสูตรประสาทแว่วเสียงเห่าหอนดังแท่ข้ามขอบเนินเขามาฟังเสียงเสแ่ยงเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจราวกับเสียงของหมื่นแสนปีศาจากขุมโลกันใกล้เข้ามาเป็นลำดับระพินไครวันไม่พูดอะไรแม้แต่คาเดียว จะทำสัญญาณให้ทุกคนบ่ายหน้ากลับที่พักโดยเร็วทั้งหมดจำกันอย่างชนิดตัวปลิวเกือบจะเป็นวิ่งโดยมีพรานใหญ่และเงาสายเดินคุมมาเบื้องหลังกลุ่มพรานพื้นเมืองกำลังยืนรวมกลุ่มชี้มือร้องเอะอะบอกกันเองด้วยสำเนียงที่ฟังไม่ได้สับขณะที่ฝ่ายนายจ้างพากันไตเนินขึ้นมายางรีบร้อนพวกนั้นหันหน้ามองไปทางด้านเหนืออันเป็นบริเวณสวนลำคอและศีรษะ ของภูมิประเทศรูปนางนอนด้านเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีใครหันมาเห็นหรือสนใจกับฝ่ายนายจ้างที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาสมทบเอ๊ะเอ๊ะนั่นพวกนั้นกำลังดูอะไรกันเชตาร้องขึ้นทำให้ทุกคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาจำํำอยู่ในขณะ น, นี้เงยขึ้นมองตามรีบเขาเถอะครับพรานใหญ่บอกพร้อมกับออกวิ่งนาหน้าไต่ทางขึ้นไปโดยเร็วพลอยทาให้ทุกคนวิ่งตามกันเป็นทรวน ทันทีที่อีกห้าคนวิ่งไต่เนินขึ้นมาถึงและพวกนั้นหันมาเห็นเสียงร้อนรนของบุญคำก็กระฮือกระหอบบอกมาว่านายนายดูนั่นสิข้ามเนินสูงสูงต่ำๆ่อันเป็นบริเวณลอนทองและสวงอกของนางนอนขึ้นไปรองตำแหน่งอันเป็นชะงอนสูงรูปทางแม้จะห่างออกไปกว่ากิโลเมตรทุกคนก็พอจะมองเห็นเหตุหการณ์ได้อย่างถัด เพราะความโล่งโถงของภูมิประเทศปราศจากสิ่งใดรกบังตาผงคลีลอยตลบเป็นม่านควันอยู่ยังบริเวณนั้นในลักษณะหมุนบนราวกับพายุทอร์นาโดก่อตัวสาเหตุของม่านฝุ่นที่คลุมเป็นเกลียวอยู่นั้นมาจากกองทัพของไอ้มารนรกจำนวนหนึ่งที่กำลังล้อมไล่สัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ที่ยังมองเห็นไม่แน่ชัดว่าเป็นอะไรอยู่อย่างโกลาหนอนลอลม ผูถูกล่าซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารกว่าฝ่ายล่าหลายสิบเท่านั้นวิ่งตเตลิดอยู่ท่ามกลางวงล้อมพยายามที่จะมุ่งขึ้นที่ราบสูงแต่ฝ่ายล่ามีจำนวนมากมายเสียจนแทบจะเรียกได้ว่าบรรจุเต็มทุกตารางนิ้วของพื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมดผัวพันห้อมล้อมแน่นหนาไว้ทุกด้านเห็นไกลๆในขณะนี้เหมือนแมลงสาบที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่ท่ามกลางฝูงมดสีดำ คุณพระช่วยน่ามาเล่นงานอะไรอยู่ดารินอุทานเบิกตาโพลงช้างและะ้วมั้งมาเรียร้องมาอีกคนเชษดากะชยันล้วงกล้องสองทางไกลออกมาอย่างรีบร้อนลุกลนยกขึ้นส่องพอปรับเลนได้ที่ก็หลุดปากออกมาเกือบเป็นเสียงตะโกนว่าแรกอาซโนอยกำลันจะเสร็จมันอยู่แล้วไม่มีทางรอดได้เลยอีกสองสาวนึกถึงกล้องประจำตัวขึ้นมาได้ ก็รีบเอาขึ้นมาส่องดูบ้างเพื่อจะได้เห็นได้ถนัดที่สุดส่วนเชษฐาส่งกล้องของเขาไปให้ระพินทุกคนจับภาพเห็นจากกล้องส่องทางไกลในขณะ น, นี้พากันยืนตัวแข็งกันไปหมดจักเลนย่นระยะช่วยให้สิ่งที่เห็นโอลมาณอยู่ลิบลิบข้างหน้าปรากฏชัดขึ้นในคลองจักสุดเยื่อตางวงล้อมของฝูงหมาหิวบ้าเลือดเหล่านั้นคือแรดโบราณซึ่งมีขนาดเกือบเท่าช้าง ความใหญ่โตประกอบกับความดุร้ายปราดเปรียวของมันในขณะ น, นี้ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้แต่อย่างใดทั้งสิ้นจากปริมาณมากมายนับไม่ถ้วนของฝูงหมาหิวมันเพ่นพลโลกเต้นอยู่ท่ามกลางฝูงหมาเหมือนกับว่าแผ่นดินทุกตารางนิ้วตรงบริเวณนั้นแปลสภาพเป็นฐ่านไฟแดงหกหน้าหกหลังเหยียบย่ำและงัดหัวขึ้นควิดไปทุกทิศมองเห็นชัดว่าไอ้ฝูงหมานรกถูกเรียวแรงมหาศาล งัดให้กระจัดกระจายลอยสูงขึ้นไปบนอากาศเรากับถูกกระเบิดดันแต่ก็ไม่สามารถจะทําให้ไฟที่กลุ่มรุมอยู่ในขณะนี้แปรกระจายล่ถอยออกไปได้แม้แต่นิดเดียวตรงข้ามกลับบุกเข้าประชิดตัวทุกด้านแยกเขียวขาวสลอนงับและกระชากถึ้งลงไปทุกส่วนเท่าที่ปากของมันจะงับถึงที่ถูกเหยียบแหลกรื้อขิดกระเด็นไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหลือก็จู่โจมนัวเนียดาหน้าเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติด เลือดฉโลมแดงฉานไปตลอดทั้งตัวของเจ้าแรดอาซินอยเคราะไรตัวนั้นไม่มีทางที่จะเพ่นพลให้หลุดพ้นออกไปจากวงล้อมแน่นหนาทุกด้านนั้นได้เลยและนับเวลาที่ผ่านไปทุกอึดใจก็ดูเหมือนว่าไอ้ฝูงหมาจากขุมโลกันเหล่านั้นจะวิ่งประดังพรั่งพลูกันลงมาจากซอกเขาทั้งสองด้านราวกับกระแสน้ําเข้าเสริมกําลังช่วยกันรุมทึงหนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกขณะ จนดูราวกับว่ามีจำนวนไม่สิ้นสุดพระเจ้าโปรดทรงช่วยอาซีนอยตัวนั้นด้วยเถิดมาเรียครางออกมาเหมือนคนกำลังจะขาดใจขาดเสียงกระซิบของมาเรียดังกล่าภาพที่เห็นก็มาถึงวาระสิ้นสุดของมันแรดโบราณตัวนั้นล้มหายลงไปกลางฝูงอัญชุลมุนหลับจากสายตาที่เฝ้ามองจับอยู่ในขณะนี้ เห็นก็แต่กลุ่มอีกนับไม่ถ้วนของหมาป่านับรอยๆเคลื่อนไหวยังฉับไวเป็นกระจุกอยู่ในบริเวณนั้นบางขณะ ก, ก็ฟัดกันเองเพราะการแย่งชิงเหยื่อซึ่งแน่ละเพียงแค่ติปากไปตัวละก้อนเท่านั้นชั่วไม่กี่อืดใจแม้แต่กระดูกก็อาจจะไม่เหลือพระพินไพรวันลดกล้องลงจากสายตาตอบคำสวดวิงวอนของมาเรียด้วยเสียงเรีย บ, ยบของเขาว่า เมยควรพูดว่าพระเจ้าโปรดช่วยพวกเราด้วยเถิดเสียมากกว่าคุณชยันครับโปรดร่วมมือกับผมหน่อยครับเราต้องลงมือเดี๋ยวนี้ล่ะครับรอช้าไม่ได้แล้วประโยคหลังเขาพูดกับชยันด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นอนดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ยืนจ้องภาพตะลึงอยู่จึงรู้สำนึกกายเพ่นพรวดเข้ามาเอาอยัางไงผู้กองจอมพานหมุนตัวไปรอบๆ ปาจับนิ่งไปยังหีบระเบิดที่ขนออกมากองตั้ ง, ตงเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกระติมฝีปากนิ่งไปชั่วยอึดใจก็เหลี้ยวกลับไปมองทางด้านเหนือซึ่งกองทัพหมาป่ากําลังชุลมุนรุมทึงซากอาซีนอ ย, อยู่มันกําลังสนใจอยู่กับเจ้าแร่คราะไรตัวนั้นเดีย๋ยวว่าแต่แร่ตัวนั้นเพียงตัวเดียวเลยครับต่อให้อีกสิตัวก็คงไม่พออิ่มของพวกมันที่เห็นเต็มทุ่งไปหมดนั้นระยะที่เราอยู่นี่ กับฝูงของมันตรงตำแหน่งนั้นก็ห่างกันไม่มากนะักโชคดีอยู่บ้างที่เรายังอยู่ใต้ทางลมของมันแต่ถ้าตะวันตกดินไปแล้วลมอาจเปลี่ยนทิศทางอาจจะช่วยให้มันได้กลิ่นเราง่ายขึ้นอีกก็ได้ผมจะใช้วิธีวางระเบิดเป็นรั้วล้อมบริเวณที่พักของเราคือ น, นี้ไว้มันบุกเข้ามาทางด้านไหนก็ระเบิดด้านนั้นเป็นการสกัดกัน้นและขับไล่ให้มันแตกกระจายออกไปแบบเดียวกับสมัยที่เราถูกขลงของไอ้แหวงบุก ชา ย, ยันยืนงงเชษดถามผู้มีความคิดที่แล่นได้เร็วกว่าก็ถามโดยเร็วฝังระเบิดและต่อสายชนวนสําหรับกดให้ระเบิดนั่นเหรอครับถ้าจะฝังล้อมรอบหมดทุกด้านในรัศมีวงกลมรอบที่พักเราจะไม่มีระเบิดและสายชนวนพอนะผู้กองเราจะไม่วางระเบิดติ่ต่อกันเป็นแนวถี่มากมายถึงเพียงนั้นหรอกครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่เราจะเลือกวางเพียงไม่กี่จุดในรัศมีแวดล้อมที่พักของเราไว้เท่านั้นจากเพียงว่าตัวมันพลู ก, กันเข้ามาก็ไม่พ้นรัศมีระเบิดไปได้เราไม่มีความหวังที่จะใช้ระเบิดฆ่ามันแต่หวังในอนุภาพของเสียงระเบิดขับมันออกไปจากการดาน้าเข้ามาและจะเลือกวางระเบิดในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับที่พักเราให้มากที่สุดเพื่อรัศมีควบคุมแคบจำกัดเข้าจะระเบิดเฉพาะด้านที่มันบุกเข้ามาเท่านั้น วางใกล้ที่พักของเรามากที่สุดเท่าไรก็จะช่วยประหยัดลูกระเบิดได้มากเท่านั้นแต่มันก็อันตรายสำหรับพวกเราทุกคนในที่พักด้วยนะเราไม่ได้พักอยู่กลางกลางที่โล่งบนพื้นราบแต่อยู่ในระหว่างร่องของเนินใกล้กับผนังหินและดินแวดล้อมอยู่ด้วยดีไม่ดีแรงระเบิดจะถล่มผนังดินหินลงมาฝังพวกเราทั้งเป็นกันหมดอะ่ะช ย, ยันรีบบอกมาโดยเร็วครับ นี่แหะครับเป็นเรื่องที่คุณชัยยันจะต้องให้คําแนะนํากับผมว่าเราควรจะวางระเบิดไว้ตรงจุดไหนยังไงบ้างเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันคุณชัยยันสิครับชํานาญกว่าผมในเรื่องนี้ระหว่างที่ชัยยันยังเงืงองะหมุนตัวอยู่ไปมาเชษฐาก็บอกมาอย่างคนตัดสินใจเร็วว่าอ ะ, อะตกลงเริ่มงานได้แล้วเอาเป็นว่าเราพินเป็นคนกําหนดแนวทิศทางว่าจะวางไว้ทางด้านไหนบ้าง ส่วนชยยายันรับผิด ช, ชอบในด้านกะระยะการวางว่าควรจะห่างจากที่พักของเราสักเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยขอให้ทำกันอย่างระมัดระวังรอบคอบที่สุดนะคราวก่อนนี่วางระเบิดกันช้างฮ<ะ>คราวนี้ต้องมาวางกันหมาอีกแล้วชยยายันบ่นพึมจุ ป, ปากโครงหัวและฉุดแขนพรานใหญ่ให้เดินตรงไปยังหีบระเบิด ระพินพยักหน้าเรียกแง่ทรายและคนของเขาทั้งหมดให้เข้ามาร่วมด้วยอดีตนตายทหารปืนใหญ่ผู้ชำนาญในการก่อวินาศกรรมและระเบิดทุกชนิดสุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่หน้าหีระเบิดและอุปกรณ์เหล่านั้นดึงมีดโบวี้ที่ติดเอวอยู่ออกมาขีดลงกับพื้นให้ระพินกับแง่ทรายดูนี่ภูมิประเทศที่อยู่ของเราในขณะนี้นะ่ะเป็นรูปโคกสามเหลี่ยมและแคมป์ที่พักก็ดันไปอยู่ในระหว่างร่องแค บ, แคบ มันเป็นเส้นทางน้ำไหลกลางโคกสามเหลี่ยมนี่สหรับด้านล่างต่ำลงไปนะําไม่กระไรนักหรอกฝังระเบิดห่างลงไปสัก40เมตรก็ปลอดภัยแล้วส่วนแคมเอ้ยโทษมันจะเรียกอะไรดีวะเนี่ยเชถาทําทำหน้าพิกลยกมือเกาหัวกรากรากมองหน้าระพินกัแงซทรายแล้วกับพริบตาปริบๆแม่จะอยู่ในวิกฤตการ์ฉุกเฉินจอมพรานก็อดที่จะขในคาพูดของชา ย, ยันไม่ได้กัดดิมฝีปาก กลันหัวเราะส่วนแง่ใจเบือนหน้าไปทำเสียงพรืดพรืดในลำคอเอ า, าครับคุณชายันจะเรียกอะไรก็เรียกเถอะเอาให้เข้าใจกันได้ง่ายๆก็แล้วกันชายันคงมองหน้าเขาอยู่เช่นนั้นพรองกระสายหน้าเดี็กกระสิกกองนะพูกกองยอดเลยให้ตายสิที่อื่นๆไม่อยู่ถมฐานไม่ยักสั่งให้วางแคมดันผ่ามาเลือกของตรงจุดไม้สาคัญนี่เขาให้ซะด้วย บริเวณเนินของมอนพิวบิกก็เหลือรับอยู่แล้วนะคุณยัอุดซากซ อ, อนดันเด้นลงมาวางแคมป์อยู่ในระหว่างร่องใต้หน้าผาหินชะโงกเขาให้อีกด้วยไม่ซวยคราวนี้ไม่รู้จะไปสวยคราวไหนแล้ววะมีหน้าที่ไอหมานารกถึงได้แห่กันมาเต็มทุง่งโถเอาอะไรที่ไหนมาพูดครับคุณชยันทรพินขมวดคิ้วทำหน้าตายย้อนถามชายันหัวเราะยานะเลยผู้กอง ทีแรกนะผมก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนที่ผมแยกทางกับคุณไปทางด้านใต้ไต่ขึ้นไปบนส่วนสูงของเขาลูกนั้นหน่อยเดียวเท่านั้นไม่ชี้ให้ผมหันกลับมาดูตรงที่พักของเรานี่ทาเอาผมสะดุ้งสามตลบเลยดูจากบนนั้นนะมันเห็นได้ชัดเจนเหลือเกินนะว่าแคมป์ของเราณนะวางอยู่ตรงไหนของเนินจันทไม่นะหัวรอจนแทบจะกลิ้งนงมาจากเนินนะ่ะชอบอกชอบใจใหญ่ บอกผมว่ามิสเตอร์ฮันเตอร์นี่ช่างเลือกหาที่ตั้งแคมป์ได้เด็ดแท้ส่วนผมนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันได้รู้สึกจะกรจี้จะกรดียมยังไงพี่กน์พอมองเห็นภาพที่เมสกิจชี้ให้ดูเดียวๆแต่นั้นแหละคุณไอ้หมาผีฝูงนั้นก็พรวดเข้ามาเล่นงานเลยอ้าไม่เชื่อก็ลองถามแง่สายดูก็ได้มันไต่ขึ้นไปสูงกว่าผมคงจะยิ่งเห็นชัดขึ้นอีกะเมื่อมองย้อนกลับลงมานี่นีเจตาก็น้อยคงไม่ได้เฉลิวคิดเลยสินะคุณชยันครับ ผมนั่นไมได้มีเจตนาอื่นใดมากไปกว่าสแสวงหาแหล่งปลอดภัยให้กับพวกเรามากที่สุดในเวลากลางคืนแล้วก็ไปทราบมาก่อนเลยจริงๆนะว่าตรงที่เราวางแคมป์กันอยู่ขณะนี้นะ่ะเป็นที่เหมาะสมที่สุดแล้วเหนือกว่าทุกแห่งตรงนั้นนะ่ะมันมีที่กําบังลมพายุแล้วก็หิมะถ้าขืนอยู่กลางที่โลกงเราก็เสร็จเท่านั้นดิอย่าเสียเวลาในเรื่องไร้สาระเลยครับเอาไป็นวาวางแผนในผมดีกว่าเวลาไม่คอยท่านะครับ สองซี่กซ้ายขวานี่ยนะเป็นหน้าผาสูงชันเหนือเราขึ้นไปคุณคิดว่ามันจะลงมาทางซีกใดซีกหนึ่งในระหว่างสองนี่บ้างไหมคงไม่หรอกครับรพื้นที่เอียงมากถึงเกือบแปดสิบองศาแล้วก็สูงมากด้วยสัตว์ทีเท้าทุกชนิดจะไ่ขึ้นหรือลงน่แทบจะไม่ได้เลยสองด้านนี่ผมว่าเลิกห่วงได้ครับนะถ้างั้นก็หมดปัญหาไปผมยังเป็นห่วงอยู่ว่า ถ้าคุณให้ระวางระเบิดดักไว้ด้วยทั้งสองฝั่งนี่ <S <S ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะวางไว้บริเวณไหนยังไงดีไม่ดีเพราะมันตูมขึ้นดินก็ทลายลงมาฝังเราซะเท่านั้นแค่นี้ก็เหลือเนินด้านบนอยู่อีกด้านเดียวบนบริเวณมอนพิวบิกที่มันสามารถจะมาได้รอบด้านแล้วก็จะกรูกงมาอย่างที่พักของเราตามร่องนี่พวกเราทั้งหมดอยู่ในระดับที่ตามลงไปส่วนมันจะมาจากที่สูง จุดที่จะวางระเบิดจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับส่นต้นของร่องผาแต่ก็ต้องไม่ใกล้กับที่พักของเราเกินไปนักด้วยเพื่อป้องกันดินถล่มลงมาทับเช่นกันอีทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าด้านนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไร่จึงสมควรจะกดสวิตซ์ระเบิดเพราะเราอยู่ต่ำลงไปมองไม่เห็นการมาของมันไม่รู้ปริมาณหนักเบาของจํานวนที่มันจะแห่กันมา ไม่เป็นไรหรอกครับในข้อนี้นะ่ะเป็นหน้าที่ของผมก็พวกนี้เองที่จะคอยตรวจตราสดัตวกับฟังว่าพวกมันจะลงทางด้านนี้หรือไม่ถ้ขยิงกระบุญคนะําน่ะมีประสาทหูที่จะฟังเสียงได้ดีเป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วผมก็จะวางยามให้ด้วยครับจะให้คอยขึ้นไประวังดูทางด้านบนนี่ถ้ามันมาทางด้านนี้เราก็จะรู้ได้ทันทีชายันดีดนิ้วเอาถ้างั้นก็โอเคลงมือกันได้เลย การจัดวางระเบิดเป็นรั้วล้อมถูกดําเนินขึ้นในทันทีนั้นโดยการร่วมมือระหว่างชายันแงซ า, ายและระพินโดยมีพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดเป็นลูกมืออีกทีหนึ่งทุกคนทํางานกันอย่างแข่งกระแสงของทิวาการซึ่งโรยตัวมืดมนลงไปตามลําดับชยันควบคุมการวางระเบิดอย่างใกล้ชิดที่สุดทุกจุดเพื่อแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจําเป็น มันจะต้องทำงานอย่างได้ผลซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรา ย, ยากเย็นซับซ้อนนักสําหรับนักวินาศกรรมอย่างเขาจิงแต่คนที่พอจะรู้เรื่องเข้าใจอยู่บ้างอย่างอดีตร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดนและอดีตร้อยโทกองโจรกะเรี่ยงมาเป็นลูกมือช่วยเหลือมันก็รู้ล่วงไปได้ในเวลาไม่ล่าช้าและกลุ่มที่ไปจัดการวางระเบิดก็เดินกลับมายัางเชตฐามารีและดารินซึ่งนั่งดู แล้วคอยฟังข่าวอยู่บนที่สูงเรียบร้อยให้มันแหงเข้ามาเทอะคืนนี้เป็นได้หน้าดูชมใชยันรายงานเข้ามาก่อนที่ตัวจะเดินมาถึงปัดมือไปมาพร้อมกับยิ้มย่องพองใสขณะนั้นอากาศขบ ข, ขมัวลงเต็มที่มองเห็นอะไรได้ไม่ไกลนักและเริ่มจะเย็นจัดลงถึงขั้นหนาวกระแสลมพัดผันผวนอยู่ไปมาเอาทิศทางแน่นอนไม่ได้ พวกมันฝูงนั้นยังไม่ได้ไปไหนนะบ่นเปลี่ยนชุมนุมกันอยู่ตรงที่มันกัดแรดอาริซิโนนั่นแหละเชษถ้าบอกพลางฉุดแขนดารินกบมารียให้ยืนขึ้นกลับที่พักกันเ้อยครับจอมพรานกล่าวชวนทุกคนทั้งหมดพากันเคลื่อนย้ายจากบริเวณเนินลงไปตามร่องเข้าสู่บริเวณค่ายพักซึ่งขณะนี้ งายสายทำหน้าที่ต่อสายชนวนเข้ามาเชื่อมกับสวิตแบตเตอรี่สำหรับควบคุมเรียบร้อยแล้วต่างทอดกายลงอย่างอ่อนปลียเพลียแรงรพินอธิบายให้ท่านหัวหน้าคณะทราบว่าได้วางระเบิดไว้ในจุดใดบ้างห่างจากที่พักเท่าไหร่และต้องวางเวรยามไว้อย่างไรโดยเฉพาะบริเวณเนินอันกว้างใหญ่เหนือที่พักขึ้นไปซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพหมาเหล่านั้นสามารถจะเคลื่อนขบวนมาได้อย่างสะดวกรอบทิศ เพียงแต่ว่าก่อนจะเข้าถึงตัวพวกมันจะต้องถูกบังคับให้ผ่านลงมาในร่องเนินแคบแคบอันทำให้ไม่สามารถจะดาหน้าเข้ามาพร้อมกันได้เป็นจํานวนมากมายนะักเพราะเส้นทางจำกัดซึ่งจะสะดวกต่อการสกัดกั้นขึ้นอีกทำให้พอจะรับมือไหวแม้ว่าพวกมันบางส่วนจะเล็ดลอดผ่านลงมาได้ก็ตามเราเพียงแต่เตรียมป้องกันตัวไว้เท่านั้นแหละเขาบอกกับฝ่ายนายจ้างทุกคน ภายหลังเวลาอาหารซึ่งบรรจุกระเพาะกันตายกันไปตามมีตามเกิดมันอาจบุกมาเล่นงานเราหรืออาจผ่านความสนใจไม่มาหรือก็ได้เป็นความหวังที่มีน้ำหนักเท่าๆกันแต่ไม่ว่ามันจะมาหรือไม่ภายในคืนนี้ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้พวกมันก็จะต้องเคลื่อนย้ายไปจากที่นี่ทั้งหมดถ้างั้นก็ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาขออย่าให้มันผ่านมาทางนี้เลยเป็นดีที่สุดดารินพึมพำ ก็ทั้งสวดมนต์ภาวนาและทั้งคอยคุมสวิตระเบิดไว้ด้วยนั่นแหละเวรใช่จริงๆคืนนี้คงไม่เป็นอันไดหลับไดนอนกันอีกแล้วละ่ะต้องคอยระวังตัวแจเชิดถาว่าพร้อมกับถอนใจเฮือปนหัวเราะขอยเจ้านายทุกคนนอนหลับกันให้สบายเลยครับอย่ากังวลเลยครับหน้าที่คอยระวังนะ่ะเป็นของพวกผมเองครับจอมพรานบอกมาอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงยิ่ง ในน้ำเสียง